ถ้าจะให้ใหญ่เพื่อนๆคงไม่ไหวแต่พลอยขอสู้ด้วยรสชาติและความอร่อยแล้วกันค่ะพอพลอยนะคะอยากให้คนทานได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากใจพลอยค่ะ